เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งได้รับเชิญให้เป็นแขกที่ทำเนียบไว้์เฮาในวันปลายและต้นสัปดาห์คราวหนึ่งระหว่างคันวินคูริสดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขณะเขาเดินกระวีกระวาดเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของท่านประธานาธิบดีเขาได้ยินคูริสพูดกับเลขานุ ก, การคนหนึ่งเช้าวันนี้เธอแต่งตัวด้วยเสื้อกระโปรงที่สวยพริ้งเหลือเกินและเธอก็เป็นหญิงสาวที่มีสเสน่ห์มากเสีย ด, ด้วย คำพูดประโยคนี้อาจจะเป็นการยกย่องชมเชยไพเราะที่สุดเท่าที่คันผู้เงียบขรึมพึงให้แก่เลขานุ ก, การคนใดคนหนึ่งในชีวิตของเขามันเป็นคำพูดที่ผิดปกติธรรมดาที่ไม่ได้มีใครคาดหมายซึ่งเป็นผลให้แม่เลขานุกการผู้นั้นแก้มแดงเรื่อด้วยความฉงนสนเท่ครั้นแล้วครูริศพูดขึ้นอีกนี่แน่เธออย่า ง, งงไปหน่อยเลยฉันพูดเช่นนี้เพื่อจะให้เธอดีใจต่างหาก จากวันนี้เป็นต้นไปฉันอยากให้เธอเอาใจใส่กับการตรงต่อเวลาสักเล็กน้อยวิธีการของเขากระทำอย่างตรงไปตรงมาอยู่บ้างแต่ใช้จิตวิทยาอันสูงเยี่ยมการที่บุคคลใดก็ตามได้ยินในสิ่งที่ไม่รื่นหูหลังจากได้ฟังคำชมเชยในสิ่งที่ดีเสียก่อนจะช่วยให้บุคคล น, นั้นสามารถฟังได้โดยไม่เกิดความรู้สึกขุนเคืองแต่อย่างใดช่างตัดผมใช้ฟองสบู่และเลงหน้าก่อนโกนหนวดแก่ผู้ตัดผมอย่างไร แมค ก, กินลีก็ได้ปฏิบัติอย่างเดียวกันในปีคิทสกสาราช 1896. กล่าวคือเมื่อเขาสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีคนสำคัญในสมัยนั้นผู้หนึ่งของพรรคการเมืองริพับลิกันซึ่งแมค ก, กินลีสังกัดอยู่แต่งซุนทรพจน์ชิ้นหนึ่งให้แมค ก, กินลีสำหรับกล่าวแก่ประชาชนเพื่อหาความนิยมซึ่งเขาผู้นั้นเข้าใจว่าเขาได้แต่งสุนทรพจน์นี้ขึ้นด้วยสำนวนทราบซึ้งเร้าใจกว่าของซิเซโร แพทริกเฮนรี่และแดเนียลเวสเตอร์รวมกันเข้าด้วยอาการร่าเริงภูมิใจเขาอ่านสุนทรพจน์ซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นอมตะให้แม็กกินลีฟังดังๆสุนทรพจน์นี้มีจุดหมายที่นับว่าอยู่ในขนาดดีแต่ยังใช้ไม่ได้ถ้าหากแม็กกินลีวิพากวิจารณ์เข้าแน่นอนทีเดียวจะทําให้เขาผู้นั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างไม่ต้องสงสัยแต่แม็กกินลีไม่ปรารถนาที่จะทําให้เขาได้รับความร้าวรานใจ และทำลายความกระตือรือร้อนแห่งเจตนาดีของเขาแม้กระนั้นแม็กกินลีก็กล่าวปฏิเสธเช่นเดียวกันโปรดพิจารณาดูว่าเขาใช้ชั้นเชิงอันฉลาดในการปฏิเสธอย่างไรบ้างเพื่อนรักสุนทรพจน์ของคุณนับว่าดีมากวิเศษมากทีเดียวแม็กกินลีพูดไม่มีใครสามารถแต่งได้ดีไปกว่านี้อีกแล้ว แต่การกล่าวสุนทรพจน์ขึ้นอยู่กับโอกาสต่างกันและจะต้องพูดให้เหมาะสมกับโอกาสนั้นนั้นสุนทรพจน์นี้เหมาะสมกับโอกาสนี้โดยเฉพาะแล้วหรือมันมีสำเนียงและกลิ่นอายเหมือนกับว่าเป็นแง่คิดของคุณผมจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงต่อแง่คิดของพรรคด้วยทั้งที่ดีคุณโปรดกลับไปบ้านแล้วแต่งมันเสียใหม่ตามแนวที่ผมจะบอกให้แล้วส่งสำเนามาให้ผมสักฉบับหนึ่ง เขาทำตามคำแนะนำนั้นและในการแต่งสุนทรพจน์ครั้งที่2แม็กกินลีใช้ดินสอเขียวขีดค่าและช่วยแก้ไขบางตอนผลก็คือแม็กกินลีสามารถพูดจับใจอย่างยิ่งผู้หนึ่งในบรรดาผู้แข่งขันการเลือกตั้งครั้งนั้นต่อไปนี้เป็นจดหมายมีชื่อเสียงที่สุดเป็นอันดับ2ซึ่งแอปราแฮมลิงคอนได้เขียนขึ้นวงเล็บเปิดจดหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นอันดับ1เขียนถึงนางบิกบี แสดงความรู้สึกเศร้าเสียใจต่อความตายของลูกชายทั้งห้าของหลอนซึ่งเสียชีวิตในสงครามกลางเมืองวงเล็บปิดเข้าใจว่าลิงคอนใช้เวลาเขียนอย่างรีบรีบราวห้านาทีแต่แล้วจดหมายฉบับนี้ขายแก่ประชาชนด้วยการประมูล เมื่อปีคิตศกราช 1,926 โดยมีผู้ซื้อไป 12,000 เหรียญและโดยแท้จริงแล้วราคาของมันนับว่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ลิงคอนสามารถเก็บออมไว้ในระยะเวลา50ปีระหว่างเขาทำงานหนักเสียอีกจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนคิตศกราช 1,863 ในขณะสงครามกลางเมืองกำลังตกอยู่ในภาวะมืดมนที่สุด นับเป็นเวลาถึง18เดือนที่แม่ทัพทั้งหลายของลิงคอนได้นำความประชัยอันแสนเศร้ามาสู่กองทัพฝ่ายสหภาพวงเล็บเปิดรัฐบาลวงเล็บปิดครั้งแล้วครั้งเล่าการสงครามในตอนนั้นกระทำไปโดยปราศจากผลบาดซบและฆ่ากันโดยเปล่าประโยชน์ ความหวาดสะดุ้งได้แผ่ขยายอยู่ทั่วประเทศทหารนับเป็นจำนวนพันๆหนีทัพและแม้แต่สมาชิกวุฒิสภา ข, ของพรรครีพับริกันมองเริเปิดพักซึ่งลิงคอนสังกัดอยู่มงเริเปิดยังเกิดแข็งข้อต่อลิงคอนและอยากจะบังคับให้ลิงคอนลาออกจากประธานาธิบดีในเวลานี้เรากำลังอยู่ในฐานะมินเมต่อความย่อยยับลิงคอนพูดข้าพเจ้ารู้สึกว่าแม้แต่พระเจ้าก็ตั้งตนเป็นปรบปักต่อเรา ข้าพเจ้ามองไม่เห็นแสงสว่างแห่งความหวังเสียเลยในระยะภาวะต่างๆกำลังอยู่ท่ามกลางความยุ่งยากมืดคุ้มนั่นเองจดหมายฉบับที่กล่าวแล้วได้เขียนขึ้นข้าพเจ้านำจดหมายฉบับนี้มาพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าลิงคอนได้ใช้ความพยายามเปลี่ยนแปลงนายผลคนหนึ่งซึ่งทำท่ากระด้างกระเดื่องในขณะชะตากรรมของชาติขึ้นอยู่กับพฤติการของนายผลผู้นี้ จดหมายฉบับนี้อาจจะคมคายที่สุดเท่าที่ลิงคอนเขียนขึ้นภายหลังเขารับตําแหน่งประธานาธิบดีแม้กระนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่าเขายกย่องชมเชยนผลฮุกเกอร์ก่อนเขาจะเอ่ยถึงความผิดใหญ่หลวงหลายประการของนายพลผู้นี้ถูกแล้วเป็นความผิดใหญ่หลวงหลายประการแต่ลิงคอนไม่ได้เรียกมันว่าเป็นความผิดลิงคอนใช้วิธีอันเยือกเย็นและมุนละไมใช้ชั้นเชิงอย่างฉเฉลียวฉลาดกว่าปกติตอนหนึ่งเขาเขียน มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งข้าพเจ้ามิได้มีความพึงพอใจกับท่านเป็นคำพูดที่รู้จักการรัเทศะและมีชั้นเชิงอย่างดียิ่งต่อไปนี้คือจดหมายฉบับนั้นถึงพลตรีฮุกเกอร์การที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้ท่านเป็นแม่ทัพทางด้านแม่น้ำโปโตโมักแน่นอนข้าพเจ้าได้ตกลงใจเช่นนี้เนื่องจากข้าพเจ้ามีเหตุผลบางอย่างเพียงพอของข้าพเจ้าเอง แม้กระนั้นจะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าท่านจะรับรู้ไว้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งข้าพเจ้ามิได้มีความพึงพอใจกับท่านข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านเป็นทหารที่ห้าวหาญและเก่งกล้าสามารถซึ่งแน่ล่ะข้าพเจ้าชอบลักษณะอันนี้ข้าพเจ้าเชื่อด้วยว่าท่านไม่นำเอาการเมืองมาปนเปกับอาชีพทางทหารของท่าน ซึ่งท่านก็ได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามความเชื่อของข้าพเจ้าแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งนอกจากจะเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นยังนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งท่านเป็นคนที่มีความทะเยอทยานซึ่งภายในขอบเขตอันชอบด้วยเหตุผลย่อมจะนําผลดียิ่งกว่าผลร้ายมาให้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าในขณะพลเอกเบิร์นไซเป็นแม่ทัพท่านได้ใช้ความทะยอทยานของท่านไปในทางปัดแข้งปัดขาเขาอย่างสุดสามารถ ซึ่งการกระทํานี้ของท่านก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ประเทศชาติและแก่พี่น้องนายทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเสียสละและรักเกียรติข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างควรเชื่อถือได้ว่าท่านพูดเมื่อเร็วๆนี้ว่ากองทัพ บ, บกและรัฐบาลต้องการผู้เผด็จการแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าท่านพูดเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงออกคาสั่งมาอย่างท่านแต่ข้าพเจ้าจะทาเช่นนี้แม้ท่านพูดอย่างไรก็ตาม พวกแม่ทัพผู้ประสบความมีชัยเท่านั้นจึงสามารถจัดตั้งรัฐที่เผด็จการขึ้นได้สิ่งที่ข้าพเจ้าขอร้องท่านในเวลานี้ก็คือท่านจงปฏิบัติหน้าที่การสงครามให้ประสบชัยชนะแล้วข้าพเจ้าจะลองเสี่ยงใช้รัฐที่เผด็จการดูบ้างรัฐบาลจะให้ความสนับสนุนแก่ท่านอย่างสุดความสามารถซึ่งความสนับสนุนนี้ไม่มากหรือน้อยไปกว่าที่รัฐบาลได้สนับสนุนหรือจะสนับสนุนแก่แม่ทัพทุกคน ข้าพเจ้ารู้สึกหวาดหวั่นอย่างยิ่งในการที่ท่านทําให้ทหารในกองทัพเกิดจิตใจปั่นป่วนด้วยการวิพากษผู้บังคับบัญชาของทหารเหล่านั้นจนกลายเป็นเหตุให้ทหารขาดความเชื่อถือต่อผู้บังคับบัญชาของตนซึ่งการกระทํานี้กําลังจะกลายเป็นอาวุธร้ายมาสังหารท่านข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่านโดยสุดความสามารถที่จะระงับเรื่องนี้เสียจะเป็นท่านหรือนโปเลียนถ้าพระองค์คืนชีพขึ้นมาอีก จะไม่สามารถปฏิบัติการสงครามไปได้โดยราบรื่นในขณะจิตใจของทหารอยู่ในภาวะไม่ปกติตลอดเวลาเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านจงระวังการกระทําอันไม่สุขุมรอบคอบจงระวังการกระทําอันไม่สุขุมรอบคอบแต่จงใช้สติกําลังและความสุขุมรอบคอบตลอดวันตลอดคืนในการบุกรุกไปข้างหน้าเพื่อนํำชัยชนะมาให้เราท่านไม่ได้เป็นคูลิฟแม็กกินลีหรือลิงคอนท่านเป็นเพียงแต่ผู้รู้ว่า รัชยานี้สามารถจะใช้ประโยชน์สำหรับท่านในความสัมพันธ์ทางธุรกิจบ้างหรือไม่เท่านั้นมันจะใช้ได้ไหมเรามาดูกันดีกว่าข้าพเจ้ายกตัวอย่างกรณี WPG แห่งบริษัทวอลเมืองฟิลาเดลเฟียมิสเตอร์กอเป็นราษฎรธรรมดาสามัญเหมือนท่านและข้าพเจ้าเขาเป็นนักศึกษาอยู่ในชั้นหนึ่งของสถานศึกษาซึ่งข้าพเจ้าเปิดสอนขึ้นในเมืองฟิลาเดลเฟียและได้เล่าเหตุการณ์นี้หน้าชั้น ซึ่งนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งบริษัทวอล์ ogue, ได้ทำสัญญารับสร้างตึกสำนักงานขนาดใหญ่หลังหนึ่งในเมืองฟิลาเดลเฟียโดยกำหนดจะให้เสร็จในระยะเวลาที่ระบุไว้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนตึกหลังนั้นเกือบจะเสร็จแต่แล้วทันใดนั้นผู้รับเหมาช่วงสำหรับตกแต่งที่เป็นบอนภายนอกตัวตึกแจ้งว่าเขาไม่สามารถส่งเครื่องบอลทันตามกาหนดเวลาอะไรกัน การก่อสร้างตึกทั้งหลังจะต้องหยุดชะงักจะถูกปรับอย่างแรงจะขาดทุนอย่างย่อยยับผลปี้ทั้งนี้เกิดจากคนคนเดียวได้มีการติดต่อกันโดยทางโทรศัพท์ทางไกลการโต้เถียงการโต้อตอบกันอย่างเผ็ดร้อนดุเดือดแต่ก็คงปราศจากผลครั้นแล้วมิสเตอร์กอถูกบริษัทส่งไปนิวยอร์กเพื่อเล่นงานโรงงานทาเครื่องอรอบอลคุณรู้หรือเปล่าว่าในบรุกลิน คนที่มีนามสกุลเหมือนคุณก็คือตัวคุณคนเดียวเท่านั้นมิสเตอร์กอถามขณะเขาเข้ามาหาประธานของบริษัททำเครื่องบลอนในห้องของประธานประธานบริษัททำหน้าฉงนเปล่าผมไม่เคยรู้เลยคือว่ามิสเตอร์กอพูดเมื่อผมลงจากรถไฟเมื่อเช้านี้ผมเปิดหาชื่อของคุณในสมุดโทรศัพท์เพื่อจะดูว่าที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ไหนผมพบความจริงว่าในบรุกลินคนที่มีนามสกุลเหมือนคุณก็คือคุณคนเดียวเท่านั้น ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้ประธานบริษัทพูดเขาพลิกส ม, มุดโทรศัพท์ดูด้วยความสนใจอ้อมันเป็นนามสกุลที่ผิดเพื่อนเขาพูดอย่างภูมิใจบรรพบุพ ร, ร, รุษของผมจากฮอลแลนด์มาตั้งรกรากอยู่ในนิวยอร์กเป็นเวลาเกือบสองรอปีแล้วต่อจากนี้เขาคุยถึงเรื่องวงศ์ตระกูลและบระรพบุรุษของเขาอีกหลายนาที เมื่อเขาพูดจบมิสเตอร์กอยกย่องเขาว่าโรงงานของเขาใหญ่โตมากและเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานทำเครื่องบอนอื่นๆที่เขาเคยเห็นมาแล้วโรงงานนี้เหนือกว่าทั้งหมดเป็นโรงงานทำเครื่องบอนที่สะอาดเรียบร้อยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วกอพูดผมได้ใช้เวลาตลอดชีวิตในการสร้างธุรกิจนี้ให้เจริญก้าวหน้าประธานบริษัทพูดผมรู้สึกภูมิใจอย่างที่สุดคุณอยากจะดูโรง ง, งานให้ทั่วไหม ระหว่างการเดินชมโรงงานมิสเตอร์กอยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของโรงงานนี้และบอกประธานบริษัทว่าเพราะเหตุใดทำไมบริษัทนี้จึงมีท่าทีว่าอยู่เหนือกว่าคู่แข่งขันในประเภทเดียวกันมิสเตอร์กอชมเครื่องจักรจำนวนหนึ่งที่แปลกกว่าเครื่องจักรอื่นๆซึ่งประธานบอกเขาในอาการภูมิใจว่าเขาเป็นคนประดิษฐ์มันขึ้นเองเขาใช้เวลานานไม่น้อยในการอวดมิสเตอร์กอถึงวิธีปฏิบัติของเครื่องจักรเหล่านั้น และการผลิตได้เหนือกว่าของโรงงานอื่นอย่างไรบ้างครั้นแล้วเขาขอร้องให้มิสเตอร์กอกินอาหารกลางวันกับเขาตลอดเวลาท่านโปรดสังเกตด้วยมิสเตอร์กอรมิได้เอ่ยปากพูดแม้แต่คำเดียวถึงจุดประสงค์อันแท้จริงของเขาในการมาหาครั้งนี้หลังอาหารกลางวันประธานพูดเอาละเรามาพูดถึงเรื่องการงานกันดีกว่า ที่จริงผมรู้ดีว่าทำไมคุณจึงมาหาผมผมไม่คิดเลยว่าการพบปะของเราจะสนุกเพลิดเพลินถึงเพียงนี้คุณจงกลับไปฟิลาเดลเฟียด้วยความนอนใจได้แล้วว่าผมสัญญาที่จะสร้างเครื่องบลอนตามคำสั่งของคุณและส่งไปให้ทันตามเวลาแม้ว่าคำสั่งของรายอื่นๆจะต้องล่าช้าลงมิสเตอร์กอรได้รับความสำเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาทุกประการโดยไม่ต้องแย้มปากพูดเลยเครื่องบลอนมาถึงทันตามกาหนดเวลา และตึกหลังนั้นสร้างเสร็จในวันที่ระบุไว้ในสัญญาพอดีจะเป็นเช่นนี้ไหมถ้ามิสเตอร์กอใช้คอนและลูกระเบิดซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเมื่อมีเหตุการณ์ทำนองนี้การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุนเคืองกฎที่หนึ่งมีดังนี้จงเริ่มสนทนาด้วยคาพูดยกย่องสรรเสริญอย่างสุดจริดใจ